อัเวินเขียวกาละครั้งหนึ่งในอนาณาจักรแคปลอนที่ปกครองโดยราชาดัสเตอร์ราชาดัสเตอร์มีลูกสาวเพียงคนเดียวนามว่าเรเชลเธอเป็นคนที่เขารักมากกว่าสิ่งใดในโลกทุกๆคนที่เห็นเธอล้วนคิดเลยว่าเธอต้องเติบโตขึ้นอย่างสง่า ง, งามเหมือนกับแม่ของเธอผู้ล่วงลับไปตั้งแต่ตอนที่เธอเกิด เจ้าหญิงราเชลมักจะคิดถึงแม่ของเธอและราชาก็รู้เรื่องนี้เขารู้สึกเสียใจกับเธอมากอยู่มาวันหนึ่งใกล้ๆ ก, กับราชวังของราชาได้มีสตรีผู้สูงศักดิ์คุณหญิงทริสและลูกสาว ข, ของเธอนามว่าบอลท่าย้ายเข้ามาอยู่บอลท่ามีอายุเท่าๆกับเจ้าหญิงราเชลเจ้าหญิงราเชลและบอลท่ากลายเป็นเพื่อนกันในไม่ช้าและคุณหญิงทริสก็จะอยู่ในวังตลอดเวลาเพื่อดูแลเด็กสาวทั้งสอง คุณหญิงทริสเอนดูเจ้าหญิงมากและคอยสอนเธอเกี่ยวกับความรักเจ้าหญิงราชเชลและวอนท่าเล่นและเติบโตมาด้วยกันทุกอย่างในชีวิตของเจ้าหญิงราบรื่นมาโดยตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินชมสวนในอาณาจากักรคุณหญิงทริสได้เข้ามาบอกลาเธอท่างอยู่ที่นี่ด้วยเหรอลาก่อนนะที่รักข้าต้องจากเจ้าไปไกลแสนไกลอะไรนะ ใช่แล้วแล้วแล้วท่านจะกลับมาเมื่อไหร่ข้าเกรงว่าจะไม่ได้กลับมาอีกไม่นะได้โปรดแล้วข้าจะทำยังไงหากไม่มีท่านมันทำให้ข้าใจสลายเช่นกันที่รักแต่ว่าข้าจาเป็นต้องไปไม่มีอะไรทําให้ท่านอยู่ได้เลยเหรอมีแค่สิ่งเดียวและมันคงจะเป็นไปไม่ได้ ไม่มีอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้บอกข้าเถอะแล้วข้าจะทำมันข้าจะอยู่ที่นี่ต่อหากพ่อของท่านรับข้าเป็นราชินีของเขาแต่เขาคงไม่มีวันทำแบบนั้นแค่นี้เองปล่อยให้ข้าจัดการเถอะมันต้องสำเร็จแน่เจ้าหญิงราเชลเข้าไปพบพ่อของเธอโดยทันทีท่านพ่อได้โปรดแต่งงานกับคุณหญิงทริสด้วยเถิดถ้าท่านไม่ทานางจะจากเราไป นั่นจะทําให้ข้าขาดความรักจากแม่อีกครั้งได้ปลดแต่งงานกับนางแทนท่านพ่อข้ารักนางมากราชาดัสเตอร์นาซีเมื่อเขาได้ยินสิ่งนี้เขาไม่ได้รักคุณหญิงและไม่ได้ต้องการที่จะแต่งงานกับนางแต่เขาเคยให้สัญญากับภรรยาก่อนนางตายว่าเขาจะทําทุกอย่างที่ลูกขอพ่อไม่ได้อยากแต่งงานกับนางลูกรักแต่ถ้ามันจะทําทให้เจ้ามีความสุขพ่อ เจ้าหญิงราชเชลมีความสุขมากขอบคุณมากท่านพา่อท่านใจดีที่สุดในโลกเลยในไม่ช้างานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และคุณหญิงได้กลายมาเป็นราชินีแต่ถึงจะเต็มไปได้วยความสุขในราชวังราชาก็ดูเศร้าใจเพราะเขามั่นใจว่าการแต่งงานครั้งนี้จะมีเรื่องแย่ๆเกิดขึ้น และนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในเวลาอันสั้นคุณหญิงทริสก็เปลี่ยนมารายาทในการปฏิบัติต่อเจ้าหญิงเธออิจฉานางที่ได้เป็นทายายกรองบาลังแทนที่จะเป็นลูกสาวของนางในไม่ช้านิสัยที่แท้จริงของเธอก็ปรากฏออกมาแทนที่จะพูดจาไพเราะและรักเจ้าหญิงเหมือนเคยแต่เธอกลับหยาบคายและโหดร้ายนั่นเป็นชุดที่สวยที่สุดที่เ้าใส่อยู่ เอามันให้วนท่าเดี๋ยวนี้แต่ท่านแม่ข้าชอบชุดนี้ข้าไม่สนข้าเป็นถึงราชินีอย่ามาเกกกะลูกตาข้าออกไปเดี๋ยวนี้พฤติกรรมของราชินี <c oughs> ที่ปฏิบัติต่อเจ้าหญิงนั้นเลวร้ายลงทุกวันจนในที่สุด <c oughs> เจ้าหญิงก็ไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอเศร้าโศกและร้องไห้ตลอดทั้งวันในห้องของเธอ ระชาไม่มีความสุขเป็นอย่างมากที่เห็นลูกสาวสดที่รักทุกใจและเขาก็ทนไม่ได้อีกต่อไปเขาตัดสินใจสร้างปราสาทให้เธอบนเกาะในทะเลสานี่ละ่ะคือปราสาทของเจ้าอยู่ที่นี่อย่างมีความสุขนะลูกไกลจากแม่เลี้ยงเจ้าที่นี่ลูกทำอะไรก็ได้ที่ต้องการพ่อจะไม่ยอมให้แม่เลี้ยงเขามาที่นี่ขอบคุณมากท่านพ่อ สัญญากับข้านะว่าท่านจะมาหาค้าทุกวันไม่ต้องพูดพ่อก็มาหลูกรักเจ้าหญิงกอดพ่อของเธอเป็นเวลา น, านานที่เธออยู่ในวังและเติบโตขึ้นอย่างสง่า ง, งามในทุกๆวันในวันหนึ่งผู้สงสารจากอาณาจักรใกล้เคียงได้เชิญราชาดัสเตอร์ไปพบกับขุนนางและอัศวินผู้ยิ่งใหญ่ราชาดัสเตอร์ตอบรับคาเชิญก่อนออกเดินทางเขาไปบอกลาลูกสาวของเขา ลูกรักพ่อจะออกไปพบกับอัศวินและขุนนางที่นั่นมีร้านขายของพิเศษสำหรับเจ้าหญิงมีทุกอย่างเลยลูกอยากจ้าได้อะไรไหมข้าไม่ต้องการสิ่งใดท่านพ่อแต่พ่อช่วยทักทายอัศวินเขียวให้ข้าด้วยนะข้าจะขอบคุณอย่างมากเออได้ลูกรักพ่อจะทำให้นะ ราชาดัสเตอร์ไม่เคยพบกับอัศวินเขียวแต่ก็ไม่มีเวลาให้ถามแล้วเขาให้คำมั่นสัญญาและออกเดินทางไป <S <S <ug> <S ในระหว่างการเดินทางของเขา <S <S <ug> <S เขาถามทุกๆคนเกี่ยวกับอัศวินเขียวเออท่านรู้จักอัศวินเขียวไหมแต่ทุกๆคำตอบที่ได้ก็คือไม่ราชาดัสเตอร์เริ่มรู้สึกว่าลูกสาวของเขา <S <S <ug> <S เข้าใจผิดเกี่ยวกับอัศวินเขียวเขาเศร้าใจมาก นี่เป็นครั้งแรกที่เธอขอให้เขาทำอะไรบางอย่างและเขาทำไม่ได้เขากังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เขาไม่ได้สังเกตเส้นทางเดินม้าของเขาจนตอนนี้เขาพบวพตัวเองอยู่ท่ามกลางป่าทึบที่ที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเขาควบม้าไปเรื่อยๆและมองหาทางออกและในที่สุดเขาพบกับชายคนหนึ่งเขาได้ควบม้าไปหาเขาท่าหลงทาง เจ้ช่วยบอกข้าได้ไหมว่าข้าอยู่ที่ไหนพันอยู่ในป่าขาองอัศวินเขียวน่ะราชาดัสเตอร์ปลื้มใจมากอัศวินเขียวอยู่ที่ใดงั้นหรือโอ้ไม่กลาจากที่นี่เท่าไรรอกชายคนนั้นบอกทางให้กับเขาราชาดัสเตอร์ขอบคุณเขาและควบม้าไปในที่สุด เขาก็มาถึงปราสาทแสนสวยที่ตั้งอยู่ตรงกลางสวนที่งดงามมีน้ำพุ ก, กำลังไหลยอยู่ในอ่างหินอ่อนที่ขอบอ่างมีชายหนุ่มรูปงามคนหนึ่งนั่งอยู่ mm. เขาแต่งกายด้วยชุดสีเขียวตั้งแต่หัวจรดปลายเทา้าราชาดัสเตอร์เข้าไปหาเขาท่านขูจะเป็อัศวินเขียวนะใช่แล้วพวกเขาเรียกข้าอย่างเงินเพราะข้าใส่แต่ชุดสีเขียวแต่ชื่อจริงของข้าก็คื อ, อยูจิน ข้าดีใจในที่สุดข้าก็ได้พบท่านข้ากําลังเดินทางไปพบกับเหล่าอัศวินและขุนนางแต่ข้าหลงทางขณะหาประสาทของท่านแล้วท่านมาพบข้าเพื่อสิ่งใดหรือข้าฝาคําทักทายจากลูกสาวข้ามาให้ท่านข้าไม่เคยพบท่านกับลูกสาวเลยแต่พักที่วันของข้าก่อนจะคืนนี้พระอาทิตย์เนี่ยกําลังจะตกดินแล้วคงไม่ดีแน่หากท่านจะกลับเข้าไปในป่าในตอนกลางคืน ราชาดัสเตอร์ขอบคุณและตอบรับคำเชิญเช้าวันต่อมาเมื่อราชาดัสเตอร์กำลังจะเดินทางกลับบ้านเจ้าชายยูจีนได้มอบพิษอัญมณีแด่เขาป้าบาทได้ปรดนำของขวัญ น, นี้มอบให้ลูกสาวของท่านมันมีภาพวาดของข้าในนั้นและเมื่อข้าไปพบนางนางจะได้รู้ว่าเป็นข้าข้าแน่ใจนางคือผู้หญิงที่ข้าฝันถึงคืนแล้วคืนเล่าและข้าจ้าชนะใจนางเพื่อเจ้าสาวของข้า ราชาอวยพรให้กับอัศวินและสัญญาว่าจะมอบของขวัญแด่ลูกสาวของเขาจากนั้นเขาก็จากไปเมื่อเขามาถึงบังของเธอเจ้าหญิงราเชลได้วิ่งมาหาเขาท่านได้พบอัศวินเขียวไหมได้สิและชื่อจริงของเขาคือเจ้าชายยูจินเจ้าชายยูจินว้าวเขาขอให้พ่อมอบสิ่งนี้แด่ลูกเจ้าจะได้รู้จักเขาเมื่อมาถึง เมื่อเจ้าหญิงเห็นภาพวาดเธอปลื้มใจมากนี่เป็นคนที่ข้าเห็นในความฝันของข้าท่านพ่อถ้าจะไม่แต่งงานกับใครนอกจากเขาก็ได้ถ้ามันเป็นความตการของเจ้าลูกรักแต่พ่อขอแนะนำให้เจ้าพบเขาให้ได้ก่อนก่อนที่แม่เลี้ยงเจ้าจะรู้เรื่องนี้นะในไม่ช้าเจ้าชายยูจีนได้มาถึงและเขาดูหล่อเหลามากในชุดกรอสีเขียวของเขา เจ้าหญิงตกลุมรักเขามากยิ่งขึ้นเมื่อเขาเห็นเธอและจําเธอได้ว่าเป็นผู้หญิงที่เขาฝันถึง mm hmm. เขาคุกเข่าลงและขอเธอแต่งงานในทันทีแต่งงานกับข้าเถอะนะเจ้าหญิงเขินอายและยิ้มออกมาได้คะ่ะพวกเขากอดกันตอนนั้นเจ้าหญิงราเชลก็จําคําแนะนําของพ่อเธอได้ แต่ว่าเราต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับอย่าให้แม่เลี้ยงของข้ารู้จนกว่าจะถึงวันแต่งงานไม่เช่นนั้นนางจะหาทางทำลายทุกอย่างตามที่เจ้าต้องการแต่ข้าทนอยู่ห่างเจ้าไม่ได้จนกว่าจะถึงวันแต่งงานข้าจะมาหาเจ้าทุกๆวันข้าจะมาตอนเช้าตรู่และจะกลับในตอนมืดวิธีนี้แม่เลี้ยงของเจ้าจะไม่มีทางพบเราแน่นอนเป็นเวลาหลายวันที่เจ้าชายยูจีมาพบเจ้าหญิงทุกๆวัน พวกเขาใช้เวลาอยู่ด้กันหลายชั่วโมงเดินเล่น ก, กับเธอในสวนที่สวยงามที่ที่ราชินีจะไม่เห็นพวกเขาวันหนึ่งเด็กสาวคนหนึ่งเดินเล่นบนทะเลสาบในตอนเช้าเธอเห็นเจ้าชายกาลังไปที่ปรสาสัทของเจ้าหญิงในขณะที่เจ้าหญิงกําลังรอเขาอยู่เธอรีบนำเรื่องนี้ไปบอกกับราชินีและราชินีก็โกรธเป็นอย่างมากวันต่อมาในตอนเช้าตรู่ราชินีไปที่ทะเลสาบพร้อมกับขวดยาเวทมนต์ และซ่อนอยู่ด้านหลังต้นไม้เจ้าชายยูจีนมาตามปกติเขาใช้เวลาทั้งวันอยู่กับเจ้าหญิงราเทลและเมื่อพลบค่าเขาได้พายเรือมายังชายฝั่งและนั่งอยู่บนเรือโดยที่ไม่รู้เลยว่าราชินีได้นำขวดยาเวทมนต์ทาไปทั่วไม้พายเรือเขาเริ่มพายเรือออกไปออมันร้อนจังเลยด้วยน้ำยาเวทมนต์เต็มฝ่ามือของเขา เ, เริ่มเช็ดหน้าผักของตัวเองและเมื่อยาสัมผัสกับผิวหนังของเขาตัวเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเจ้าชายยูจีนไปถึงราชวังของเขา<ต>ขเขาเริ่มรู้สึกไม่ดี<ต>เป็นเวลาหลายวันที่เจ้าหญิงราชเชลรอคอยเจ้าชายยูจีนแต่เขาก็ไม่ได้มาพบเธอเพราะว่าเขาป่วยแต่ว่าเธอไม่ทราบเรื่องนี้เธอรู้สึกหมดหวังเพราะพ่อของเธอก็ต้องออกไปนอกอาณาจักรเพื่อติดต่อค้า ข, า, ขายกับราชาคนอื่น เธอนั่งลงริมหน้าต่างและเริ่มร้องไห้ออกมาด้วยความเศร้าใจท่านใดนั้นได้มีนกตัวหนึ่งบินมาเกาะที่กิ่งไม้ด้านล่างเจ้าชายของท่านป่วยมากท่านต้องไปหาเขาเดี๋ยวนี้อะไรเนะีเกิดอะไรขึ้นกับเขาไม่มีเวลาแล้วรู้แค่ว่าแม่เลี้ยงใจร้ายของท่านใช้น้ำยาเม็ดมนใส่เขาและมีเพียงสมุนไพรสีเหลืองในส่วนของท่านเท่านั้นที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ ถ้าต้องทำยังไงได้โปรดรามเป็นพยามาในราชาวางของราชาที่นั่นมันเป็นทางเดียวที่จะได้รับอนุญาตให้เขาใกล้เต้าชายทำซุปจากสมุนไพรสีเหลืองไปให้เขาเมื่อเขาทานซุปจนหมดถ้วยเขาก็จะหายในทันที วันรุ่งขึ้นเจ้าหญิงราเชลออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่โดยสวมชุดพยาบาลพร้อมนำสมุนไพเรสีเหลืองที่ไว้ใช้ทําซุปไปด้วยเจ้านกบินนำทางเธอไปยังพระราชวางังและเมื่อพวกเขามาถึงเจ้าหญิงได้พบกับพยาบาลแก่บุคคลที่เจ้าชายไว้ใจมากที่สุดคุณหญิงข้าเจาฟีโอนะ่าและถูกส่งมาจากองราชาเพื่อช่วยเหลเจ้าชายให้หายป่วย แล้วเจ้าจะทำยังไงขนาดหมอที่ดีที่สุดของเรายังช่วยไม่ได้ยา น, นี้มีพิษถึงตายข้าเสียใจที่ต้องบอกว่าไม่มีใครช่วยเจ้าชายได้อีกแล้วโอ้แต่ข้าทำได้ท่านเห็นสมุนไพรของข้าไหมถ้าทำซุปแล้วเจ้าชายจะหายทันทีแล้วทำไมข้าต้องเชื่อเจ้าท่านมีทางเลือกอื่นอย่างนั้นเหรอพยาบาลแก่คิดว่ามันน่าลองเสี่ยงดูเธอจึงอนุญาต ก็ได้เจ้าไปห้องของเจ้าชายพร้อมกับสมุนไพรได้เจ้าหญิงราเชลให้เจ้าชายที่ป่วยทานซุปด้วยตัวเธอเองหลังจากที่เจ้าชายทานซุปเสร็จเธอก็ออกไปรอข้างนอกเพื่อรอเวลาในไม่ช้าเจ้าชายยูจีนเริ่มเหงื่อออกและเขาก็หายสนิทในทันทีเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเจ้าหญิงราเชลได้ส่งพยาบาลสาวเข้าไปพร้อมถ้วยซุปสมุนไพรสีเหลืองในมือเจ้าเป็นใครกัน ใช่คนที่ทำซุปเพื่อรักษาข้าใช่ไหมใช่เพคะเจ้าอยากจะได้อะไรตอบแทนขอมาได้เลยพยาบาลสาวถูกเจ้าหญิงราเชลบอกว่าไม่ต้องพูดสิ่งใดข้าต้องกมเป็นเจ้าสาวของท่านข้าต้องขอโทษด้วยมันเป็นสิ่งเดียวที่ข้าให้เจ้าไม่ได้เพราะหัวใจของข้าเป็นของผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกและนางกาลังรอคอยข้าที่วังของนาเมื่อได้ยินดังนั้น เจ้าหญิงราเชลก็วิ่งเข้าไปข้างในห้องของเจ้าชายและกอดเขาแน่นพยาบาลสาวยิ้มและเดินออกไปเจ้าชายดีใจที่ได้พบเธอแต่เขาก็รู้สึกสับสนด้วยเช่นกันนี่มันเรื่องรายกัรงั้นเหรอเจ้าหญิงราเชลอธิบายทุกอย่างให้เขาฟังและวิธีที่แม่เลี้ยงของเธอใช้น้ำยาเวทมนต์ทำให้เขาป่วยอ๋อข้าดีใจมากที่เจ้าช่วยข้าไว้ที่รักข้าก็ดีใจที่ท่านไม่เป็นอะไร ทั้งสองกุมมือกันและสวมกอดกันอีกครั้งในไม่ช้าพวกเขาทั้งสองก็แต่งงานกันด้วย ง, งานแต่งงานที่งดงามและยิ่งใหญ่ราชาดัสเตอร์ดีใจมากที่เห็นลูกสาวของเขามีความสุขสําหรับราชินีและลูกสาวของเธอเขาเนรเทศพวกนางออ ก, จ, อกอาจากอาณาจักรและห้ามเข้ามาอีก เจ้าชายยูจีและเจ้าหญิงราชเชลอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในวังบนเกาะของพวกเขาและยังช่วยราชาดัสเตอร์ในการปกครองอาณาจักรไปด้วยและประชาชนก็อยู่กันอย่างมีความสุข